สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวร น, นิเวศวิหารนะคะโดยมีดิฉันอรายาสุวิเศษศักดิ์เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการนำมัรรมะสะการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดเรื่องถูบ้านซึ่ง ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะต้องทราบไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันว่าพระอาจารย์ตั้งประเด็นถู่บ้านมาไว้อย่างไรเจ้าค่ะนี่ก็ครั้งที่หครั้งที่ห <c oughs> แล้วเอ่อครั้งที่5เนี่ยก็เริ่มประเดินเดือนใหม่ก็มีคําถามที่ตั้งเอาไว้ของเมื่อ2 ส, สัปดาห์ก่อนที่เราไม่ได้ตอบแม่เราไม่ได้ตอบไปเมื่อคืนนี้แล้วเพราะเวลามไม่ทันนะเจ้าค่ะ ทีนี้อาทิตย์นี้นี่ก็ไม่มีคนที่มาเขียนคำถามไว้ในอีซีธรรมะก็เลยอยากจะเอาประเด็นที่ตั้งทิ้งไว้เนี่ยเอามาคุยต่อทีนี้ก็ก่อนที่จะพูดถึงประเด็นธรรมะต่างๆเนี่ยก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่ า, าช่องทางการรับฟังของเราเนี่ยก็คื อ, อท่านฟังเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่หน้าเพจของเฟ e บุ๊กอย่างที่ พูดกันมาแล้วทุกตอนเลยก็คือว่า EC ธมโดยที่สะกดว่า EASY DHA MMA ติดกันแล้วก็ตัว E นี่ตัวใหญ่ซึ่ง EC ธรรม a เนี่ยมันเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะนิยมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจอดจงนิดนึงถ้าเกิดท่านฟังเนี่ยพิมไม่ถูกต้องก็อาจจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นก็อย่าจําว่าตัว E ตัวใหญ่ที่เหลือตัวเล็กแล้วก็สะกดว่า EASY DHA MMA ส่วนถ้าท่านฟังคนไหนเนี่ย เกิดมีข้อสงสัยในประเด็นธรรมะต่างๆในชีวิตประจำวันก็ดีหรือในอไปอ่านหนังสือธรรมะแล้วเกิดข้อสงสัยเนี่ยก็เอามาถามกันได้โดยที่ท่านฟังเนี่ยก็เปิดหน้า Facebook ของท่านฟังเนี่ยแล้วก็ลิงก์เข้ามาที่หน้าเพจของอ a สิธรรมะในตัวข้อความเนี่ยก็เขียนคำถามทิ้งไว้ได้แล้วก็จะนำประเด็นต่างๆที่ท่านฟังเนี่ยได้เขียนไว้ แล้วก็จะมาตอบให้เท่าที่พอจะตอบได้นะค <c oughs> ไม่ได้ตอบได้ทุกคำถามเจ้ค่ะส่วนคราวที่แล้วเนี่ยก็ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องต่างๆโดยที่เรื่องของการให้ทานเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่ค่อยครบถ้วนมากแต่ก็พยายามจะหาเวลาสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการทำทานให้ฟังอยู่เรื่อยๆทีนี้ประเด็นที่ทิ้งไว้เนี่ยก็คือเรื่องถูกบ้าน ใครถูบ้านเองบ้างล่ะแ ม, แม่ก็ถูบ้านเองเนาะถูบ้านเองเจ้าค่ะถูด้มือด้วยเจ้าค่ะอ๋อถูอมือด้วยเนาะแบบโบราณเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าบางทีเราก็ต้องมีภารกิจไปต่างจังหวัดบ้างนะก็จะไม่ได้อยู่ที่กุฏิหรอกก็อาจจะไปสามวันห้าวันบางทีไปเดือนนึงอะไรอย่างเงี้นนะซึ่งพอกลับมาเนี่ยกุฏิเนี่ยก็จะออื เพราะว่าเป็นกุฏิที่อยู่คนเดียวนะพอกลับมาปุ๊บมันโศกปลกมากเลยเจ้าค่ะทีนี้จะบรรยายภาพของกุฏิให้ฟังก่อนกุฏิเนี่ยก็คือนึกสภาพเหมือนเป็นบ้านเดียวนะบ้านเดียวแล้วก็จากตัวบ้านมาถึงขอบรั้วเนี่ยก็มีระยะสักสองเมตรครึ่งโดยประมาณซึ่งจากตัวบ้านถึงกําแพงรั้วเนี่ยก็ปูกระเบื้องนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ เอาน้ำมาล้างก็ใช้ผ้าเนี่ยมาถูผ้าห ม, มาดๆเช็ดใช่ทีนี้ทีนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็จะสะดวกสบายขึ้นแลก็มีถังแล้วก็เอาไมา้ถูพื้นมาจุ่มน้ําปั่นๆๆแล้วก็มาเช็ดอย่างเงี้นะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ยโอ้โกุฏิเนี่ยมันสกปรกมากแต่กลับกลางคือแล้วล่ะก็เลยเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยทําความสะอาดก็ได้ ทีนี่ตอนเริ่มลงมือทําความสะอาดเนี่ยนะเขไปเอาไม้กวาดมากวาดเศษใบ ไ, ไม้รอบกุฏิเลยกวาดกวาดกวาดกวาดไปก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจอันหนึ่งว่าโอ้นะพื้นพื้นกุฏิเนี่ยมันก็เหมือนจิตใจคนนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ปล่อยให้มันรกร้างไม่หมั่นทําความสะอาดเนี่ยมันก็สกปรกใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ โดยธรรมชาติตั้งทิ้งไว้เนี่ยธรรมชาติคือกิเลสมันก็จะพอกผุนขึ้นมาจิตใจเราก็จะขุนมัวเศร้าหมองโดยอุปกิเลทที่มันจอนมาเนี่แหละอย่างที่พุทธเจ้าว่าไว้ก็คือใจเราเนี่ยธรรมชาติดั้งเดิมเนี่ยมันสะอาดผ่องใสแต่มันก็เศร้าหมองลงไปเพราะว่าอุปกิเลสที่มันจอนมานี่แหละพื้นเราเนี่ยเราปูใหม่ๆเสร็จมันก็จะสะอาดนะละใหม่เชีย ทีนี้ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะเป็นคราบมียิ่งฝนตกๆเนี่ยนะไอฝุ่นก็ดีขี้ดินจากบนหลังคาก็ดีตกลงมาเนี่ยโอ้มันก็จะเป็นคราบฝังแน่นเลยแหละเอาไม่กวาดถูไม่กวาดนกวาดกวาดกวาดยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นคราบที่มันฝังแน่นอยู่กับกระเบื้องอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันสะอาดมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกวาดอย่างเดียวไม่พอละ เราก็ต้องเอาผ้าเนี่ยชุบน้ํามาเช็ดเช็เชเชเพื่อทําความสะอาดมันทีนี้มันก็มีอยู่2กรณีนะกรณีว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ขี้เกียจนะก็อาจจะเอาหูเอาหน้าเอาตาไปไร้ช่างมันช่างมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะสกปรกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือเราก็ เบินหน้าอีกมันนะไม่ยอมรับความเปจริงว่ามันสกปรกนะเขาเรียกว่าทนทู่สีจนไปทีนี้ก็รู้แหละ ว, ว่าสปกปรกถ้าปเป็นไม่เห็นเพราะมันขี้เกียจอนะคือเขาเรียกว่าอํานาจความขี้เกียจมันมากอํานาจความที่เราไม่อยากทําเนี่ยมันมากแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วพอมันพัฒนามากขึ้นเนี่ยนะเราก็จะไปหาเขาเรียกว่ารองเท้าถ้าอย่างบ้านทั่วไปก็เหมือนในสลิปเปอร์ที่ว่ามันใส่ ยยจะได้ไม่เลอะเท้าเราใช่ไม่เลอะเท้าเราแต่ความจริงก็คือพื้นมันก็สกปรกนั่นแหละสิ่งถ้าถ้าเราไม่อยากให้มันมาเลอะเท้าเราสิ่งที่เราควรจะทํำคือทําพื้นให้มันสะอาดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาใส่ slipper ปเปองนะถ้ามั น, น เ, เปียกแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมคะเราอยากได้ความสะอาดแต่เราขี้เกียจทําความสะอาดเนี่ยผลที่ได้มันคือความสะอาดมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากได้ความสะอาด เราก็ต้องลงมือทําความสะอาดสิ่งที่เราต้องทําก็คือไอ้ความขี้เกียจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราใจขี้เกียจปุ๊บ<ๆ>เราต้องกําจัดมันโดยการที่เราไม่อยากทําอะไรล่ะไม่อยากทำความสะอาดใช่ไหมไม่อยากกวาดบ้านใช่ไหมไม่อยากถูกบ้านใช่ไหมไปหยิบไม้กวาดซะไปะหยิบไม้ถูพื้นซะแล้วก็ทําความสะอาดทีนี้ผลที่ได้เนี่ยก็คือพื้นเนี่ยนะบ้านเราก็จะสะอาดสะอ้านขึ้น แต่ผลที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะบ้านเราสะอาดอย่างเดียวนะใจเราก็สะอาดไปด้วยเพราะว่าการที่เราเห็นจิตใจเราเนี่ยที่มันมีความขี้เกียจขี่คลั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันคือกิเลสอย่างนึงนี่แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กำจัดมันทีนี้เราจะทำยังไงได้แเราก็เอาเครื่องมือข้างนอกนี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวกับความสกปรกข้างนอกใช่ไหมมันไม่อยากทาใช่ไหมเราก็พลิกใจเราใหม่ อเอาไม้กวาดมาเอาไม้ถูพื้นมาแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านซะสิ่งที่มันได้เนี่ยมันก็ได้เอาไอความขยันที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมาขัดเกลาจิตใจเราด้วยเห็นจิตใจเรามันสุกกระปรกเมื่อไร่เราก็ทําความสะอาดใจเราด้วยตอนนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความขี้เกียจอย่างเดียวนะอย่างเช่นเวลาใครเขามาพูดอะไรให้เราหงุดหงิดก็ดี ใครก็ทําอะไรให้เราไม่พอใจก็ดีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความขัดข้องขุนเคืองในใจเราเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นเหมือนกันแเราก็ทำยังไงล่ะอ่าต้องแก้กันเพราะว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโทษเมื่อไหร่เนี่ยเห็นว่ามันเป็นสิ่งของที่น่ารังเกียจเมื่อไหร่เนี่ยเราอย่าปล่อยมันเราอย่าปล่อยให้มันมีอํานาจเหนือใจเราเราก็ต้องหักมันฆ่ามันมันถ้าย้อนกลับไปเรื่องทําความสะอาดเนี่ยมันไม่อยากใช่ไหม เราก็าก ท, ทาความสะอาดถ้ามันอยากจะโกรธนี่เราก็ต้องแผ่เมตตาหรือเราอยากจะด่าเขาเราก็ห้ามใจก่อนให้เราไม่ด่าเขามันยังไม่หายดับอีกมันความโกรธมันยังฟุงฟ้งฟ่าขึ้นมาอีกเราก็เข้าไปคุยกับเขาซะเข้าไปคุยดีๆเขาซะนี่พอเราคุยดีๆกับเขาได้เนี่ยความที่ขุนเคืองความที่มันเราร้อนเดือดดาลเนี่ยมันก็จะโดนกำจัดไปได้ เพราะว่าก่อนที่เราจะคุยดีกับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องสยบต้องทำใจมากเลยนะคะพระอาจารย์มันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับอปุถุชนทั่วๆไปอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่คิดที่จะทําำะนะแล้วพอคิดที่จะทําเสร็จเนี่ยเราก็ไม่มีกําลังที่เราจะทําำะนะเพราะว่าพอเราจะทํำปุ๊บสิ่งหนึ่งที่มันขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยยากนะ โอ้ยตอนนี้เราก็ไม่อยากทําอะไอ้ความไม่อยากไง น, นะมันคอยกระซิบใจเราอยู่ไม่ให้เราทําเราต้องเท่าทานตัวนี้แหละมันไม่อยากใช่ไหมนี่เราต้องฆ่าความไม่อยากตัวนี้ให้มันทําในสิ่งที่มันควรจะ ต, ต้องทําเรารู้นี่ว่าเหตุอะไรที่ทําให้ใจเราเร่าร้อนอ๋อการที่เราคิดว่าเขาทําอย่างนั้นไม่ดีโอไออย่างนี้มันไม่ถูกใจเราเลยนะโอ้ไอนี่มันเลวมากไอนี่มัน ว่ามันเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นความจริงตามสมมติที่ที่มันเป็น Đ นะนะแต่อย่าลืมว่าความไม่ดีของเขาความที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเราเอามาพูดเราเอามาคิดมันก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองขุนมัวเหมือนกันเรื่องไม่ดีของเขามันก็เป็นเรื่องไม่ดีของเขายิ่งเราเอาเครื่องเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยมาใส่ใจมาพูดมาคุยมาคิดต่อ ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ต่อหน้าเรานะเราก็ยังเอาเรื่องเขาเนี่ยมาคุยมาคิดเรื่องนั่นเรื่องนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยดูเลยว่าไอ้ที่เรากาลังคุยอยู่อย่างนี้เนะี่ยเรากาลังคิดอยู่อย่างนี้นะ่วนมันทำให้ใจเราเนี่ยมันเศร้าหมองขุ่นมัวนะแล้วเราก็เขาเรียกว่าสั่งสมความคิดสั่งสมที่จะคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่นสั่งสมที่จะพูด ในแ่ไม่ดีของคนอื่นอยู่เรื่อยๆาแล้วผู้เจ้าสอนยังไงล่ะผู้เจ้าก็สอนว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่พูดแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆของเขาแล้วก็มาพูดเรื่องไม่ดีของเราเนี่ยเรายิ่งต้องมาพูดนะหมายความว่าแต่ไม่ใช่ว่าเจอใครแล้วก็พูดเรื่องไม่ดีของเรานะไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าถ้าใครพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีของเราเนี่ยเราก็ยอมรับยอมรับคุยอ่ายอมรับความจริงซะ ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาคุยเรื่องอ้ายน่าสันเรินของเราเนี่ยเราก็คุยน้อยๆคุนยน้อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเนี่ยได้ยินในสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีมันก็ยึดติด น, นะเขามาคุยเรายกยอ ป, อป้อนเนี่ยมันก็เป็นในโลกธรรมอย่างหนึ่งก็คือที่ว่ามีการสรนเริญเกิดขึ้นถ้าเราคิดยึดติดกับคําที่เขามา ส, สรนเริญเรา พอใครเขาไม่สันเสริญ เ, เราเราจะขุนเคืองนะเขาพูดถึงเรื่องไม่ดีเราปุ๊บเราก็จี้ดทันทีทีนี้เราทํากลับกันเลยเขาพูดถึงเรื่องดีของเราเราก็พูดน้อยๆเขาพูดถึงเรื่องไม่ดีของเราเนี่ยเราก็ยอมรับแล้วก็แจกผู้เจ้าใช้คําว่าจแจกแจงโดยพิสดารเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่หลงไปตามคําสรรเสริญแล้วก็ไม่ถดถอยไปตามคําลินทา นี่แหละทำให้ใจเรามันเข้มแข็งนะแต่สิ่งที่จะทําได้เนี่ยกำลังใจกําลังใจจะต้องมีกําลังใจที่เราจะกล้าที่ยอมรับความผิดกล้าที่จะสู้กับกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในใจเรานี่แหละอยากจะโกรธเขาเนี่จะด่าเขาเรามีกําลังใจไหมล่ะที่เราจะห้ามความโกรธอ น, นั้นได้ไม่ให้มันพูดไม่ให้มันสีแสดงออกทั้งสีหน้าทา่าทางกิริยาเราทําได้ไหมล่ะ มันต้องมีกระบวนการนะกระบวนการฝึกก่อนฝึกง่ายๆ ย, ยังไงเริ่มต้นยังไงดีเจ้าคะ่ะคือสิ่งพวกนี้นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะาประปับแนละ้วมันจะชนะมันได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องมีกระบวนการฝึกก่อนแต่ทีนี้เจอตัวใหญ่ๆเนี่ยเราคงสู้ไม่ไหวเราก็ต้องซ้อมจากตอนที่มันยังไม่มีสถานการณ์อะไรเนี่ยเกิดขึ้นก่อ น, นทีนี้ก็จะ วิธีการฝึกเนี่ยมันก็ต้องฝึกให้มันถูกด้วยนะทีนี้พุทธา ก, ก็บอกว่าแล้วเราจะเอาอะไรล่ะเป็นตัวฝึกทางของการฝึกเนี่ยมีอะไรบ้างพุทธา ก, ก็พูดว่าอริยามรรคมีองแปดนี่แหละคือทางดําเนินคือเครื่องมือที่ดีที่เราจะต้องเอามาเป็นธรรมนูญของชีวิตเราเป็นทางเดินเป็นไม้บรรทัดเป็นเขีย น, นทิศให้กับชีวิตของเราเพราะว่าเราเอามรรมาเนี่ยเราก็จะคิดตามทางของมรรมาเราก็จะพูดตามทางของมรรมา เราก็จะมีความเห็นเนี่ยที่มันสำคัญมากที่มันถูกต้องเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงได้ตามทางของมรรคแแล้วก็ต้องทาให้มันถูกต้องเลยนะมรรคแเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสัมปชัญอันเหล่านี้ เราก็ต้องเอามาใช้ให้มันถูกด้วยทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆมันก็เหมือนการเล่นคิวบิกนะสมัยก่อนเนี่ยนะเราเคยสมัยเกเด็กอะ่ะมันก็จะมีไอพ้พวกพวกเนี้ยขายเอาเอามาเล่นล้วก็มันมีสีสีที่มันเรียงไว้ดีแล้วนะแล้วก็มาสลับสลับสลับสลั บ, บโอ้โหตอนที่มันได้สักหน้าหนึ่งทาได้สักหน้าหนึ่งดีใจมากนะแต่ส่วนมากก็ทำได้หน้าเดียวเท่านั้นแหละเคยเคยเล่นก็ <c oughs> <c oughs> ได้แบบอย่างเก่งก็ประมาณสองหน้าแล้วคือแปดหน้าไม่ไม่มีทางหน้าหนึ่งเนี่ยทำได้ก็ดีใจแล้วนะส่วนมากพอทำได้หน้าหนึ่งเนี่ยไอ้หน้าที่เหลือมันก็จะไปไม่ค่อยได้ละแล้วทำไมเราถึงทำได้แค่หน้าเดียวแล้วไอ้หน้าที่เหลือเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเรามีกระบวนการเรามีความเห็นที่มันยังไม่ถูกต้องในการที่เราจะทาให้มันครบทุกหน้า ทีนี้ถ้าเรามองภาพของคิวบิกเนี่ยปกติเราก็จะถ้าใครเล่นใหม่ๆเนี่ยโอ้เราก็อยากเราคือเราก็มุง่งเน้นแต่อีหน้าที่เรากําลังทําอยู่สมมุติเราทําสีขาวแล้วก็อยากจะได้สีขาวให้มันครบเนี่ยแต่พอสีขาวมันได้ครบปุ๊บเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าไอ้ด้านข้างเนี่ยสีมันได้เหมือนกันไหมสมมุติว่าด้านขวามือของสีขาวเนี่ยเป็นสีน้ําเงินมันอาจจะไปปนสีน้ําเงินปนกับสีแดงอยู่บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันได้สีขาวทั้งหมดก็จรงิงแต่ด้านขวามันยังสลับสีอยู่ด้านซ้ายยังสลับสีอยู่ด้านหน้าด้านหลังยังสลับสีอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราไปตอบไม่ได้เราก็มัวแต่แบบโอ้ได้แล้วหน้านี้หน้านี้เอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้สักทีหน้านที่เหลือเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันต้องทําไอ้หน้าข้างๆเนี่ยให้มันไะด้ด้วยทุกสีด้วยให้มันเป็นสีเดียวกันด้วยถ้ามันยังสลับสีอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้มันก็เหมือนสัมมาทิฏิที่เรามีนะ คือเราก็ต้องมองให้มันถูกต้องก่อนว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรไม่เป็นเหตุของความทุกข์อันนี้ถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าใจได้ตามนี้เนี่ยเราก็จะดาเนินต่อไปได้เหมือนกับที่เราเล่นคิวบิกเนี่ยที่เราประกอบหน้า1ได้สีหนึ่งแล้วไอ้ชั้นที่1นเนี่ยด้านข้างมันเนี่ยก็มีสีที่มันเรียงกันด้วย 3. ส, สีเนี่ยด้านซ้ายก็เป็นสีน้าเงิน หรือจะเป็นสีแดงก็สีแดงทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสีส้มก็เป็นสีส้มทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอมันได้หนึ่งชั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่ค่อยๆทีนี้มันต้องใช้การพิจารณาใคร้ครวนอย่างดีแล้วละ่ะว่าแล้วเราจะหมุนต่อไปอยังไงเพื่อให้มันได้ชั้นที่สองโดยที่ชั้นแรกเนี่ยไม่พังอมันก็ต้องมีการใคร้ครวนคลอยสารวจดูว่าอาถ้าราหมุนอย่างนี้นะ อ่มันตัวนี้มันจะสลับมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไล่มันไปไล่มันมาแล้วอ๋อมันก็เข้าที่เข้าทางเขาเรียกว่ารู้กระบวนการของมันซึ่งก็เปรียบเหมือนว่าเราก็มาฝึกใจเราเนี่แหละเราก็ต้องรู้กระบวนกระบวนการของใจเราด้วยว่าใจของเราเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของใจเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายมันก็แค่มีรับจาคิดรู้ซึ่งอารมณ์ต่าง ครับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆ่อ้าวสุดท้ายมันเกี่ยวกับอารมณ์อย่างเดียวเลยนะใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมันเป็นผู้ชายผู้หญิงมันไม่เกี่ยวกับเป็นว่าเป็นรถสปอร์ตหรือว่าเป็นรถโกโรโกโซมันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นเงินร้อยบาทหรือว่าเงิน1ล้านบาทไม่เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวกับอารมณ์ในใจเราเท่านั้นแหละทีนี้อารมณ์ในใจเราเนี่ยมันเข้ามาทางไหนได้บ้างมันก็เข้ามาได้ทางตา ทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือความคิดนึกปรุงแต่งของใจเราไปเองด้วยซึ่งเราเห็นรูปที่ดีรูปที่น่าพอใจในแบบที่เราชอบนะมันก็จะกลายไปเป็นอารมณ์ที่มันชอบอยู่ในใจเราพอเราเสวยอารมณ์ที่มันชอบเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีความสุขเกิดขึ้นเวลาทีา่เสวยอารมณ์ที่มันไม่ชอบอย่างเช่นเราไปกินข้าวไม่อร่อ ย, อยนี้นะเป็นต้นนะ มันก็เป็นอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราแหละเป็นทุกข์สุดท้ายใจเราเนี่ยมันก็จะไปมีอยู่2 2อย่างใหญ่ๆก็คือสุขกับทุกข์นี่เองถ้าได้สิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีก็กลายเป็นความสุขถ้าได้ในสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินยินดีก็เป็นความทุกข์พัดพรากจากสิ่งที่มันเป็นของเพลิดเพลินยินดีก็เป็นความทุกข์เหมือนกัน ได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆภายนอกเนี่ยเราก็มันเอื้อมาถึงเหตุปัจจัยภายในครับทำให้เป็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทอําล่ะเราทําได้ไหมละ่ะว่าไปทําเหตุปัจจัยภายนอกอย่างเช่นหาในสิ่งที่เราอยากจะได้ให้มันได้ทุกครั้งหรือ สิ่งที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราก็พยายามกีดกันให้มันไม่เกิดขึ้นกับเราทุกครั้งมันทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะทีนี้สิ่งที่มันทําได้เนี่ยก็คือว่าในเมื่อข้างนอกเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันก็ต้องมาแก้ข้างในเรานี่แหละแล้วกระบวนการของใจก็คือว่าไม่ว่าอะไรจากภายนอกเนี่ยมันก็มาแปลมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่มันชอบใจกับไม่ชอบใจแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปดูเนี่ยว่าแล้วไอ้ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันมาจากไหนล่ะ มันก็มาจากใจนี่แหละที่ใจมันชอบมันก็จะบอกว่าอันนี้ดีถ้าใจมันไม่ชอบมันก็บอกว่าไอ้ น, นี่แหละไม่ดีถ้าเรามองให้มันทุ่นถี่ขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยนะสมมติว่าจากร้านเลยเขาปรุงมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากินแล้วเราก็ถูกใจมากเราไม่ได้เติมพริกเพิ่มเราไม่ได้เติมน้ำปลาน้ำตาลเพิ่มแต่กับเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้นะเพื่อนเรานี่ไม่ได้ต้องเติมพริกเยอะ ท่องเติมน้า ต, ตาลน้ำปลาอีกบ้างเพื่อให้มันได้รสอย่างที่เขาชอบใจแล้วแสดงว่าแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวกันเขาก็ยังมีความชอบไม่เหมือ น, เ, อ น, นเราเขาอาจจะไม่ชอบแบบในก๋วยเตี๋ยวแบบที่ไม่ปรุงด้วยอาจจะไม่ชอบเลยเขาชอบแบบในเขาที่ต้องเติม น, นู่นเติมนี่เพิ่มอ้าวอะไรมันผิดปกติล่ะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวทาไมสองคนมันถึง ได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะโอ้แสดงว่ามันมีอะไรที่มันเป็นต้นตอเป็นสาเหตุที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวไอ้ชามเนี้ยสิ่งซึ่งมันควรจะเป็นเขาเรียกว่ามันเที่ยงนะก็คือว่าไม่ว่าใครจะมากินไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันควรจะมีคําตอบเดียวคืออ่าถ้าคือมันไม่ดีก็ต้องทุกคนก็ต้องบอกว่าไม่ดีเหมือนกันถ้ามันดีทุกคนก็ต้องบอกว่ามันดีเหมือนกันแต่ทําไมบางคนบอกดีบางคนบอกไม่ดีอะไรคือตัวแปรล่ะ ก็คือใจนี่แหละใจนี่แหละเป็นตัวแปรใจที่เราคิดว่ารสเค็มประมาณนี้นะรสเผ็ดประมาณนี้นะรสหวานประมาณนี้นะเราถึงจะชอบถ้าไม่ได้ตามนี้ของสิ่งนี้คือของไม่ดีคือของที่ไม่ถูกใจเราแล้วละ่ะแต่พอเค็มประมาณนี้เผ็ดประมาณนี้มันกลับไปได้มาตรฐานกับใจของอีกดวงหนึ่งซึ่งเ้าบ อ, อกว่า <c oughs> เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานประมาณนี้แหละถึงจะดีมาก แสดงว่าใจนี่แหละที่มันทำให้ก๋วยเตี๋ยวชามที่มันควรจะมีมาตรฐานเดียวกลายเป็นสองสามสี่ห้ามาตรฐานไปเพราะนั้นสิ่งที่เรามาแก้เนี่ยก็ต้องแก้ที่ใจเราแล้วละพราะเราไม่สามารถที่จะไปเลือกข้างนอกให้มันได้อย่างที่ใจเรามีมาตรฐานไว้เสมอไปก็ต้องมาหัดใจสอนใจแล้วเราจะหัดใจสอนใจยังไงละ่ะให้มันเข้าใจว่า มันจะไม่นํามาซึ่งความทุกข์ให้เราได้ถ้ามันเป็นขอที่ไม่ถูกใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคื อ, อให้มองเห็นตามความเป็นจริงอย่าให้มองเห็นตามใจถ้ามองเห็นตามใจเมื่อไหร่เนี่ยข้างนอกมันไม่มีสิ้นสุดนะไม่มีสิ้นสุดเลยมันก็เปลี่ยนไม่ได้ตามใจเรานี่แหละใจเราว่ามันดีมันก็ดีใจเราว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีเป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่มาแก้เนี่ยก็ต้องแก้ที่ใจเรานี่แหละให้มันเห็นตามความเป็นจริงซะ เพราะว่าความจริงมันมีมาตรฐานเดียวพอเราเข้าใจตามความเป็นจริงเนี่ยมันจึงจะไม่ไม่นำความทุกข์มาให้ก็คือพอเรายอมรับมันแล้วเน่ยเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นในเมื่อมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงเราก็เข้าใจมันมันก็จะไม่มาทิ่มแทงใจเราได้เพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมันมั่นเพราะเราเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงก็ตามเราก็ยอมรับมันได้ปล่อยวางมันได้ งั้นเราควรจะเริ่มต้นที่การมองเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเจ้าคะในทุกๆเรื่องรอบๆตัวเราที่เกิดขึ้นในในชีวิตประจำวันก็ควรจะเริ่มที่มีสติมีสติก่อนมีสติก็คือรึกรู้นี่แหละรู้อะไรรู้ให้เท่าทันใจตัวเองนี่แหละสิ่งที่เราควรทำนะรู้ให้เท่าทันใจตัวเองว่าใจเราเนี่ยกำลังไปเห็นผิดไหมกาลังคิดผิดไหม กำลังพูดผิดไหมคิดผิดคือคิดยังไงคิดพยาบาทเขาคิดเบียดเบียนเขาคิดไม่ดมฤรษ์ออกจากกรามเนี่ยก็คือถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นไปเพื่อความทุกข์คิดคิดแบบนี้คเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่คิดยังไงคิดไปเพื่อถอดถอนความทุกข์ก็คือคิดไม่พยาบาทเขาคิดไม่เบียดเบียนเขาคิดดมฤรษ์ออกจากกราม จากการก็คือรูปเสียงเปลี่ยนรถสัมผัสเนี่ยนะก็คือเราคิดอย่างนี้แล้วก็ส่วนในด้านความดีเนี่ยท่านก็เปิดกว้างไว้อาจจะคิดมีเมตตาจะคิดไปในทางาให้ทานารักษาสีอะไรก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งในทางไม่ดีเนี่ยท่านก็จํากัดไว้ว่าอย่าไปทําส่วนความดีท่านก็เปิดกว้างให้เราถนัดตั้งไหนมากก็ทำอันนั้นไปแล้วพูดยังไงล่ะถึงพูดไม่ดีก็พูดเท็จพูดสอดเสียพูดเพ้อเจ้อพู ด, พดคำหยาบเหล่ า, น, า น, นี้เป็นต้น ก็ไม่ควรพูดพูดในเรื่องดีก็เปิดโอกาสให้เราก็ทําได้จะพูดสรรเสริญใครเราจะพูดความดีของใครเราจะพูดไปเพื่อความสามัคคีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เปิดกว้างให้เลยแล้วก็มีความพยายามเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะพยายามทําที่จะให้อกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นอกุศลที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้มันเจริญขึ้นอกุศลที่มันมี ที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยก็พยายามาละมันส่วนถ้าไหนที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าให้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามของเราอย่างนี้อยู่ในใจของเราอย่างนี้นะแล้วก็ประกอบอาชีพที่มันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบนใครนะแล้วก็มีการงานชอบก็คือว่าทําในสิ่งที่ไม่เป็นกุศลนะแล้วก็ละอกุศลทาในสิ่งที่เป็นกุศลนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีการงานชอบการงานกับอาชีพมันมันค่อนข้างจะบางทีมันอาจจะเหมือนกันแต่ก็คือว่า อาชีพเนี่ยมันใช้ในลักษณะเป็นความเป็นอยู่การดํารงชีพที่เราว่าเราจะอยู่ได้ด้วยอาชีพอะไรนะแต่การงานนี่ก็คือหมายถึงทั่วๆไปเพราะว่าเหมือนเราเดินไปโรงเรียนก็ถสีว่าเป็นการงานอย่างหนึ่งยังไงนะการงานที่เราจะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นการงานชอบเนี่ยก็คือให้มันเป็นอยู่ในองค์ของกุศลซะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเป็นกุศลอยาอ่าทําอกุศลอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีการงานชอบ แล้วก็มีสติชอบเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันนะสติชอบคือระลึกระลึกในสิ่งที่มันชอบเนี่ยก็แต่เอาง่ายๆเนี่ยก็คือระลึกที่ที่เรามาชอบมาพูดกันว่าเออเรามาหัดสมาธิสมาธิกันนี่แหละก็คือตัวนี้แหละที่เราจะมาหัดกันเป็นบาตเป็นฐานเบื้องต้นเนี่ยที่ทําให้อจริงๆ8ดตัวเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะแต่ทีนี้เราก็ ามาฝึกตัวนี้ก่อนเพื่อทําให้ตัวอื่นเนี่ยมันจะเจริญได้ด้วยทีนี้ก็คือเราก็ต้องมาฝึกใจนี่นแหละฝึกใจก็คือต้องมีสติคอยคุ้มครองเนี่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าเน้นก็คือเรื่องของใจด้วยจากที่เราพูดกันมาในหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกสติก็คือฝึกใจซึ่งมันถูกวัตถุประสงค์ด้วยที่พระเจ้าเนี่ยให้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยว่าจะมา สอนสมาธิให้ด้วยสักหน่อยหนึ่ง ค, คื อ, อการหลายๆคนคงจะคิดว่าการทำสมาธิในชีวิตประจำวันซึ่งเราคิดว่าเราก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วนะคะพระอาจารย์เราจะทำได้จะทำได้หรอคะทาได้สิตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันต้องทำได้แน่นอนคนที่หายใจเปล่าๆทิ้งๆไปเนี่ยนะสักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกคนนั้นก็คือเกิดมาเสียเปล่านะ แต่คนที่เกิดมาไม่เสียเปล่าคือหายใจเป็นก็หมายความว่าหายใจแล้วก็มีสติในลมหายใจด้วยมีสติคุ้มครองใจที่ที่ลมหายใจเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนหายใจเป็นทําให้มันมีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยก็คือไม่ปล่อยใจให้มันหลงลอยไปไหนหลงลอยไปกับทางอากุศลต่างๆเป็นต้น ก็ย้อนใจเราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจให้ใจเราอยู่ที่ลมหายใจสร้างบ้านที่ลมหายใจสร้างบ้านให้ใจที่ลมหายใจให้ใจเรามีบ้านให้ใจเรามีที่อยู่ให้ใจเราได้มีสิ่งที่คุ้มครองไม่ปล่อยให้กิเลสมันเฟื่องฟูมาผู้ยี่ผู้ยำใจเราไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาครอบงาจิตใจเราให้เราไปทำอกุกสต่างๆนำมาซึ่งมีทุ ก, กติ เป็นอบายเป็นเบื้องหน้านะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะพานั่งสมาธิสัหน่อยหนึ่งเจ้าค่ะนะ ต, ต้องเริ่มต้นยังไงดีเจ้าค่ะก็นหนึ่งก็เริ่มที่หลับตานะลับตาจะนั่งท่าไหนก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่อยู่ที่บ้านก็นั่งสมาธิ มือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักนะแล้วก็ดูลมหายใจเรานี่แหละสังเกตลมหายใจเราถ้านั้นก็ให้ลองหายใจเข้าลึกๆสักสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยหายใจเข้าลึกๆยาวๆเนี่ยสักสองครั้งสามครั้งดูว่าลมเนี่ยที่มันกระทบจมูกเราเนี่ยกระทบยังไงกระทบที่ ต้นจมูกกลางจมูกหรือว่าปลายจมูกดูดูว่ามันชัดตรงไหนแต่โดยมากมันก็ไปชัดอยู่ที่ตรงกลางจมูกเราเนี่ยก็คือโพรงจมูกเราเนี่แหละที่หายใจเข้าไปแล้วลมมันก็จะมากระทบสัมผัสที่โพรงจมูกเราเราก็ไม่ได้ปล่อยใจไปไหนหรอกเอาสติคือความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมาดูที่ตรงโพรงจมูกของเรา ไม่ต้อ ง, บ, งบังคับลมหายใจถ้ามันหายใจเห็นชัดแล้วว่ามันกระทบตรงไหนเนี่ยเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติหมายความว่าเวลาที่เราไม่ได้ใส่ใจเรื่องการหายใจเนี่ยลมหายใจมันก็มีเข้าลมหายใจมันก็มีออกของมันโดยปกติอยู่แล้วแต่โดยมากเนี่ยเราก็ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่า มันหายใจเข้าหรือหายใจออกเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาสติเรามารู้สิ่งที่มันลมที่มันกระทบสัมผัสที่ลมมันกระทบกับจมูกของเราเนี่ยที่พวงจมูกหรือตรงดั้งจมูกของเราเนี่แหละถ้าใจมันจะเผลอไปทางเสียงก็ดีถ้าใจเรามันจะเผลอไปทางว่าอ๋อนี่นะแขนเราขาเรา หรือว่าได้ยินเสียงต่างๆแล้วใจมันก็ออกมาทางเสียงเนี่ยก็ปล่อยมันวางมันดึงมันกลับมาที่ลมหายใจเรานี่แหละการฟังเทศที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญมันต้องได้ความสงบก่อนเพราะฉะนั้นถ้าฟังเทศไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าปล่อยใจเก็บใจเอาไว้อยู่กับตัวนี่แหละเอาความรู้สึกเอาไว้ที่ตัวเรา ก็คือที่ลมหายใจของเราเนี่ยไม่ต้องส่งไปหาว่าอ๋อนี่เสียงเทศนะท่านเทศว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะยังไม่จําเป็นถ้าความสงบมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังไม่จําเป็นเลยจําเป็นอยู่แค่ว่าเราเนี่ยเอาใจเราเนี่ยมารู้อยู่ที่ลมหายใจของเราให้ได้มันจะเผลอไปคิดเราไปรู้ว่ามันกาลังคิดพอมีสติเกิดขึ้นมารู้ว่ามันคิด เราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจของเรามันจะเห็นว่าออเรากำลังนั่งนะเมื่อยเอวนะปวดก้นนะก็ไม่ใส่ใจมันดึงกลับมาที่ลมหายใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปโดยง่ายๆเนี่ยทำอยู่แค่สองอย่างอย่างแรกก็คือตั้งใจดูลมอย่างที่สองเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ลมเนี่ยเราก็ไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเสียงก็ดีความคิดก็ดีสัมผัสทางร่างกายก็ดีเนี่ยเราก็ไม่ใส่ใจมันใส่ใจที่ลมหายใจของเราอย่างเดียวนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจในลักษณะว่าส่งใจออกไปยึดลมหายใจนะเราเห็นว่าลมหายใจเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากที่เราเนี่ยกำลังรู้อยู่ไม่ส่งใจไปยึดที่ลมหายใจ ถอนใจเอามาจากลมหายใจดูว่ามันมีสัมผัสที่มันเข้ามันออกตัวเราเนี่ก็คือตัวที่มันรู้อยู่เนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่ว่ามันมีสัมผัสที่มันเข้าสัมผัสที่มันออกถึงแม้ว่ามันมีความคิดว่านี่มันเป็นสัมผัสของลมเข้านี่มันเป็นสัมผัสของลมออกก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันรู้อยู่แค่ว่าสติเราตั้งอยู่ตรงนี้แหละ ไม่หวั่นไหวไปไหนไม่โคลนเคลนไปไหนรู้ว่าสติเราเนี่ยตั้งอยู่มั่นอยู่อย่างนี้มีอารมณ์ในใจของเราเนี่ยไม่ซัดสายสายแสบไปในเรื่องใดมีอารมณ์ในใจที่มันตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวไม่ส่งไหลไปตามความสงบในใจที่มันเกิดขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นในใจความสบายที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็อย่า สงใจตามลงไปเราก็เอาสติเนี่ยให้มันแจ่มชัดเหมือนที่เรากำลังพูดคุยยืนเดินให้สติที่รู้ลมของเราเนี่ยแจ่มชัดอยู่อย่างนี้อย่าปล่อยให้มันไหลไปตามความสงบถ้ามันไหลไปตามความสงบสติเราก็จะเสื่องสติเราก็จะอ่อนกําลังลงพออ่อนกําลังลงเสื่องลงสิ่งที่ปรากฏก็คือ มันก็หลบเข้าพวังไปหลบเข้าพวังเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีก็ได้พักผ่อนก็เหมือนคนนอนหลับนี่แหละจิตเราก็ได้สบายมีกำลังแต่มันก็ไม่ได้เอาไปใช้ใช้งานอะไรได้เปรียบเหมือนคนพักผ่อนนอนหลับอยู่เนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คือความสดชื่นได้กำลังแต่มันก็ไม่ได้งานเพราะฉะนั้น เราเนี่ยก็ต้องไม่ปล่อยให้จิตเราเนี่ยมันซึื่องซึมไปให้จิตเราเนี่ยมันมีกําลังมีสติที่มันรู้ชัดแจ่มชัดรู้ชัดเหมือนสติที่มันชัดเหมือนเรากําลังตื่นอยู่เดินอยู่ให้สติเราชัดขนาดนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เอาจิตที่มันมีกําลังตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้แหละพร้อมกับสติที่มันไม่เสื่องซึม สติที่มันแจ่มใสปลอดโปร่งแจ่มชัดจะได้เอาไปพิจารณาให้มันเห็นไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นไปอยู่ได้แล้วอะไรล่ะที่เขาเรียกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงของทั้งโลกทั้งโลกโลกนอกก็ดีโลกในก็ดีมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือ มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันไม่มีอะไรมั่นคงมันไม่มีอะไรถาวรมันเกิดมามันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็สลายไปได้มันเกิดมามันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็สลายไปเป็นอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรไม่เข้ากดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มี สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกๆวันเนี่ยขอให้ทุกท่านลองพิจารณาดูอะไรบ้างที่มันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ตับไปอะไรที่มันไม่จากเราไปมีไหมพ่อแม่พี่น้องเขาตายจากเราได้ไหมทรัพย์สมบัติเงินทองมันอยู่กับเราได้ ตลอดไหมตายแล้วมันก็ไปกับเราได้ไหมเพื่อนที่ทำงานเจ้านายต่างๆมันก็เหมือนละครที่เราเข้าไปอยู่แล้วเราก็ไปเล่นตามบทสุดท้ายมันก็ตายจากกันไปมันก็ไม่มีอะไรเหลือให้มันเป็นสาระให้มันมีเก่นสารที่เราจะนาไป หลังจากความตายไปได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราละ่ะคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือเราเอาสิ่งที่มันไม่มีสาระทำให้มันเป็นสาระในชีวิตของเราทำในสิ่งที่มันมีแค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเอาใจเรานี่แหละไปปรุงแต่งว่าอย่างนั้น ว่าอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีสติที่จะรู้เท่าทันว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่รูปรสเปลี่ยนเสียงธรรมดานี่แหละเราก็ไปยึดมันปรุงแต่งเอาใจเราเนี่ยไปปรุงแต่งตามกิเลสที่มันหลอกล่อเราว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบคนนั้นเพื่อนเรา วันนี้สตรูเราหลงไปตามความปรุงแต่งของมันไม่ว่ามันจะเป็นเพื่อนหรือเป็นสตรูเราเป็นเจ้านายเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยมันก็เป็นกองคี้เท่าเท่ากันทั้นนั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยเสียงที่เขาชมเราเสียงของแฟนเราเสียงเขาด่าเรา มันก็แค่อากาศที่มันมากระแทกของเราเท่านั้นแหละเป็นเพราะใจเรานี่แหละที่มันสําคัญไปตามกิเลสที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจเราเนี่ยปรุงแต่งให้มันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็น น, น, น, นี่ขึ้นมาแล้วก็ว้าวุ่นขุนมัวไม่รู้เท่าทันว่ามันกําลังหลอกเราอยู่นี่แหละเพราะเราไม่เท่าทันเพราะเราไม่เห็นใจของเราเพราะเราไม่เห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละ ชิตเรามันก็จริงไหลไปตามห่วงน้ําของกิเลสที่มันจะพาเราไปตรงไหนไปตรงไหนเราก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านมันได้เลยเพราะไม่รู้ว่าจังหวะไหนมันจะพาเราไปไหนเราไม่รู้ว่าจังหวะไหนมันเข้ามาย่ยํายีเข้ามาผู้ยี่ผู้ยําเข้ามาทําให้เราเห็นผิดแล้วมันก็มาครอบใจเราอยู่ รอบใจเราอยู่มาไม่รู้นานแสนนานเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ไม่ที่จะได้ฝึกสติที่จะย้อนกลับมาเห็นใจเราย้อนกลับมาเห็นผู้ที่มันบงการชักจูงจิตใจเราอยู่เนี่ยเราก็จะไม่มีวันที่จะสลุดสลัดมันหลุดออกไปจากใจเราได้เราก็จะไม่มีวันที่ใจเราเนี่ยจะสว่างกระจ่างมาจากความมืดมนอนตะการที่มันปิดบังเราอยู่เนี่ย เราก็จะไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นขอแค่ว่ามีสติมีสติแค่นั้นแหละมีสติแล้วใจเราก็รวมลงเป็นหนึ่งมียารองเป็นหนึ่งที่ไม่หวั่นไหวไปไหนเราก็จะเห็นใจเราเห็นใจที่มันสงบเรามีสติเห็นใจที่มันสงบแล้วเนี่ยไม่ว่าใจเรามันจะไปทางไหนด้วยอำนาจอะไร เราก็สามารถที่จะพอรู้ได้ว่าใจเราเนี่ยเป็นกลางสงบตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แล้วเวลามันเผลอไปทําเรื่องนั้นด้วยอำนาจของจิตแบบไหนโลภราคะเป็นต้นพอเราเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเห็นอยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆเราก็จะต้องเ ร, เริ่มระวังมากขึ้น ไม่ปล่อยใจให้มันเป็ น, ปนแบบเดิมไม่ปล่อยใจให้มันหลงไปตามเสียงกระซิบของกิเลสไม่ปล่อยใจให้มันหลงไปคิดในแบบที่มันหลุดออกนอกมัด ก, กว่านเอาสิ่งที่มันเป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยมาให้เราทาเราก็รู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ เมื่อไม่ทาในสิ่งที่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์เราก็ผลที่ได้จากการที่เราไม่ทำสิ่งที่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยทุกมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีที่เราควรทำละ่ะคืออะไรบ้างก็มีทานให้ทานนี่แหละรักษาศีลแล้วก็มาฝึกใจเราโดยการปฏิบัติภาวนาเนี่ยแหละให้ทานมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ เป็นการซักฟอกใจในลักษณะหนึ่งใจที่มันมืดมนมันก็โดนซักฟอกไปจากการที่เรามีวัตถุที่เราได้ให้ใจเราได้ให้เราก็ได้กำจัดในสิ่งที่มันความตรนีความโลภที่มันครอบคลุมบกคลุมใจของเราให้มันมืดให้มันคิดผิดเห็นผิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะห่วงแหนไว้เห็นในสิ่งที่มัน ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเงินเหรือเป็นสาระมันก็แค่กระดาษใบหนึ่งหรือเป็นแท่งเหล็กอันหนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นสาระอะไรเลยเห็นตามความเป็นจริงว่ามันก็แค่สิ่ ง, งสมมติท่านั้นแหละสิ่งที่สมมติที่เราสมมติแล้วเรารู้จักสมมตุติเราก็ใช้สมมุติไปแต่เราก็ไม่ยึดติดสมมติ พราะเราเข้าใจมันเราจึงใช้มันได้อย่างที่มันไม่ปาทิ้มแทงหัวใจเราได้อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันพอเรารู้จักสมมุติในภายนอกว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยไม่ว่าจะสิ่งไหนก็แล้วแต่ปล่อยมันวางมันแล้วก็ย้อนกลับมาที่ในใจเราเนี่แหละว่าสิ่งอะไรล่ะที่มันมีค่ามันพันล้านมีค่าเหรอ ถ้าใจเรายังรล่าร้อนรุ่มร้อนอยู่มันมีค่าไหมแต่ถ้าเรามีเงินหมื่นแล้วใจเราเน่ยเป็นสุขมันมีค่ามากกว่าไหมสิ่งที่สําคัญนี่มันคือความสุขที่มันอยู่ในใจเราต่างหากสุขสบายทางกายกับสุขสบายทางใจมันเทียบกันไม่ได้เลยสุขสบายทางกายเนี่ยมันมีค่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง หรือแทบจะไม่มีค่าเลยเมื่อมันเปรียบเทียบกับความสุขทางใจคนเราเนี่ยรากกรามทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อหวังจะได้ความสุขหวังให้มันมีความสุขกายเพื่อที่จะหวังให้มันมีความสุขทางใจเกิดขึ้นนี่แหละแต่สิ่งที่เราทำได้ง่ายกว่านั้นเนี่ยหาความสุขจากใจเนี่ยตรงๆได้เลยโดยการที่ จิตใจเนี่ยที่เราสงบระงับจากกิเลสเนี่ยจะเป็นความสุขอันละเอียดอ่อนประนีต ย, ยิ่งกว่าความสุขทางการที่เราได้จากตาหูจมูกลิ้นกายกเพราะนั้นขอแค่ใจิตใจเราเนี่ยมีความสงบ ป, ปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆภายนอกปล่อยวางภายนอกแล้วก็มาเห็นว่าสิ่งที่มันทำให้ภายนอกเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยมันคือใจ คอยระมัดระวังมันอยู่ตรงนั้นแหละว่าใจเราเนี่ยกำลังไปทําอะไรสําคัญผิดคิดผิดอะไรบ้างเห็นผิดยังไงบ้างคอยเตือนมันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆแต่ถ้าจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยสติเราก็ต้องเกิดขึ้นให้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้สติเราเกิดขึ้นได้บ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีที่อยู่ให้สติที่อยู่สติของเราเนี่ยคือตรงไหนล่ะกระดิลมหายใจเรานี่แหละตราบใดที่เรา มีสติที่รอมหายใจเรามีลมหายใจเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องที่ทําให้สติเนี่ยเป็นฐานที่ระลึก ข, ของสติเราทําให้มันสติเรามาเกิดตรงนี้ได้บ่อยๆบ่อยๆเราก็จะเห็นใจเราได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่ามันไปสําคัญผิดอะไรบ้างแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งข้างนอกที่เรากำลังวุ่นวายไปตามที่มันเป็นอยู่เนี่ย มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นสิ่งของที่มันเท่ากันเั้านั้นแหละเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมแล้วเราก็มั่วสําคัญผิดอยู่กับธาตุสี่ดินน้ําไฟลมอยู่นี่แหละแล้วก็สําคัญมันไปต่างๆนานาดีบ้างเลวบ้างข้างนอกมันเท่ากันเท่านั้นแหละธาตุสี่ดินมันมีอะไรล่ะน้ามันมีอะไรล่ะมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละใจเราต่างหากที่เราเนี่ย ต้องมาคอยสักฟอกคอยสอนมันให้มันเห็นได้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของเท่ากันนะข้างนอกแล้วก็สอนมันว่าอย่าไปยึดอย่าไปถือในสิ่งเหล่านั้นอย่าไปถือตามความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราไม่ควรทำอีกอย่างหนึงก็คืออย่าไปสำคัญว่าใจนเนี่ย เป็นที่น่ายึดน่าถือปล่อยมันด้วยเพราะตัวนี้แหละตราบใดที่มันยังมีตราบใดที่มันยังต้องไปกว้านอารมณ์น้น อ, อารมณ์นี้มากินอยู่เนี่ยเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นตราบใดเท่าที่มันยังมีตัวความรู้สึกอันนี้อยู่เนี่ยเรายังสําคัญเรายังให้ความมั่นยึดมั่นถือมั่นกับเป็นความรู้ในใจของเราอยู่เนี่ยเราก็ยังมีทุกข์อยู่ เราก็ปล่อยมันด้วยปล่อยมนันยังไงล่ะปล่อยมันอยู่ที่สติเราเนี่แหละใจเราเนี่ยตั้งไว้ที่สติเราเนี่แหละเห็นโทษมันตราบใดที่มันยังรู้นู่นรู้นี่อยู่เนี่ยมันยังมีทุกข์ความรู้ตัวนี้ก็ต้องปล่อยด้วยปล่อยมันปล่อยไว้ที่สติเราเนี่แหละฉะนั้นก็ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ออกจากสมาธิเนี่ยขอให้หายใจยาวๆลึกๆสักสองครั้งแล้วก็ริมตาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เวลาก็ใช้ไปพอประมาณพอสมควรแล้วล่ะก็คงคิดว่าถ้าเกิดคราวหน้า ใครมีคำถามทิ้งไว้ในหน้าเพจของ Facebook ก็คงจะเอามาตอบให้ฟังอีกทีนี้ก็ได้พูดถึงวิธีการทำสมาธิไปด้วยวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปฝึกอลองไปหัดให้ทำได้บ่อยบ่อยแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาหรือมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับการทำสมาธิก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็ เอามาเขียนทิ้งไว้ในหน้าเพจ Easy ธรรมะให้เราก็จะได้มาอตอบคำถามให้ท่านฟังเนี่ยได้หายสงสัยได้มีความรู้ที่มันกระจ่างมากขึ้นเพราะนั้น ว, วันนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็เลยยมแม้แอมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมล่ะ เดี๋ยวไว้ทิ้งท้ายไว้ถามคราวหน้าดีกว่าเจ้าค่ะว่ า, อาพอเริ่มนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะคงจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจแล้วแหละแต่เอาไว้คราวหน้าดีกว่านะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสําหรับเวลาของรายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตกราบนมรดกการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพร